สิบสี่ปทุมมะปุพสูตรว่าด้วยดอกบัวสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโคสนสมัยนั้นภิกษุนั้นกลับจากบินทบาทภายหลังจากฉันพตาหารเสร็จแล้วลงสู่สะโบครณีสูดดมกลิ่นดอกบัวครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้น ประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วเด้๋ยกล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านสูดดมกลิ่นดอกบอัวที่เกิดในน้ําซึ่งใครๆไม่ได้ถวายแล้วนี้เป็นองค์อันหนึ่งแห่งความเป็นขโมยท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นผู้ขโมยกลิ่นภิกษุนั้นเด้๋ยกล่าวด้วยคาถาว่าเราไม่ได้นําไปเราไม่ได้หัก เราเพียงแต่ดมกลิ่นดอกบัวที่เกิดในน้ำห่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเรียกเราว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นด้วยเหตุอะไรเล่าส่วนบุคคลที่ขุดงาบัวหากดอกบัวปุนทริกเป็นผู้มีการงานอันไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ทำไมท่านจึงไม่เรียกเขาว่าเป็นขโมยเล่าเทวดากล่าวด้วยคาถาว่าบุรุษผู้มีบาปนะ้าแปะปื้นด้วยกิเลส มีราคะเป็นต้นเกินเหตุเราไม่พูดถึงคนนั้นแต่เราควรจะกล่าวกับท่านบา ป, ประมาณเท่าปลายขนเนื้อทรายย่อมปรากฏประดุ์เท่าก้อนเมฆในนภาอากาศแกบุรุษผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินผู้มักแสวงหาความสะอาดเป็นนิดพิสษุนนั้นกล่าวด้วยคาถาว่ายักษ์ท่านต้องรู้จักเราแน่และท่านคงอนุเคราะห์เรายักษ์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 ปทุมะปุพภสูตรที่14จบวนสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุต์นี้คือ 1. วิเวกสูตร 2. ออุปทานสูตร 3. กสปะโคตสูตร 4. ส, สามพหุละสูตร 5. อานันทสูตร 6. อนุรุธทธะสูตร 7. นาคทัตตะสูตร 8. กุลละครณีสูตร 9. วชีปุตตะสูตร 10. ส, สัชายาสูตร 11. อาโยนิโสมนสิการาสูตร 12. มัชฌันหิกะสูตร 13. ปากะตินทรีสูตร 14. ปทุมะปุกพสูตร 10. ยักษะสังยุต 1. อินทกะสูตร ว่าด้วยอินทะกะยักษ์เขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาอินทกูดซึ่งเป็นภพของอินทะกะยักษ์เขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นอินทะกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเรียคาถาว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่ารูปไม่ใช่ชีวะ สัตว์นี้จะมีร่างกายนี้ได้อย่างไรหนอกระดูกและก้อนเนื้อมาจากไหนสัตว์นี้จะอยู่ในคันได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารูปนี้เป็นกาละกอนจากกาละเกิดเป็นอพุ t h จากอพุ t h เกิดเป็นเปสิชิ้นเนื้อเล็กจากเปสิเกิดเป็นคณะเป็นก้อนจากคณะ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 สอสักกะสูตรว่าด้วยสักกะยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนภูเขาคิจกูดเคค ร, รงราชครื้ครั้งนั้นสักกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าการสั่งสอนคนอื่นนั้นไม่เหมาะแก่สมณะเช่นท่านผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดแล้ว ผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกะทําเครื่องอยู่ร่วมกันย่อมเกิดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคนมีปัญญาไม่ควรทําใจหวั่นไหวไปตามเหตุนั้นถ้าคนมีใจผ่องใสแล้วสั่งสอนคนอื่นบุคคลนั้นย่อมไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยเหตุนั้นนอกจากจะอนุเคราะห์เอ็นดูสักกะสูตรที่สองจบ สูจิโลมสูรว่าด้วยสูจิโลมยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนเตียงชนิดมีเท้าตรึงกับแม่แค่อันเป็นพบของสูจิโลมยักษ์ใกล้หมู่บ้านขยาสมัยนั้นขอระยักษ์และสูจิโลมยักษ์เดินผ่านไปในที่เมื่อไกลาจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้น ขอระยักษ์ได้พูดกับสูจิโลมยักษดังนี้ว่านั่นสมณะสูจิโลมยักกล่าวว่านั่นไม่ใช่สมณะนั่นเป็นสมณะน้อยแต่จะเป็นสมณะหรือสมณะน้อยเราพอจะรู้ได้ลำดับนั้นสูจิโลมยักษเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้เข้าไปเหนียวพระวรากายของพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงถอยพระวรากายไปเล็กน้อย ต่อจากนั้นสูจิลมยักษได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านกลัวเราไหมสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราไม่กลัวท่านหรอกแต่สัมผัสของท่านหยาบกร้านสูจิลมยักษทูล ถ, ถามว่าสมณะเราจะถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรตอบแก่เราเราจะทำจิตของท่านให้พลุ่งพล่าน จากฉี่หัวใจของท่านหรือจักจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทาจิตของเราให้พลุ่งพล่านฉีหัวใจของเรา หรือจะเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นได้เชิญท่านถามตามที่ท่านต้องการเถิดสูจิโรมยักษ์จึงทูลถามด้วยคาถานิว่าราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนผองสยองกล้าวเกิดจากอะไรความตรึกในใจเกิดจากอะไร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 อากุศลวิตกเป็นอันมากเกิดจากความเยื่อใหญ่คือตันหาเกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุกรามทั้งหลายเหมือนย่านไสรเกิดจากลำต้นไสรแล้วแผ่ซ่านไปในป่าฉะนั้นชนเหล่าใดรู้อัตภาพนั้นว่าเกิดจากสิ่งใดชนเหล่านั้นย่อมบรรเทาเหตุเกิดนั้นเสียได้ยักท่านจงฟังชนเหล่านั้นย่อมข้ามพ่วงแห่งกิเลนี้ ซึ่งข้ามได้ยากอันตนไม่เคยข้ามเพื่อความไม่มีพบใหม่ต่อไปสูจิลมสูตรที่สจบ 4. มณิพั์ทสูรว่าด้วยมณิพัทยัก สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเจดีชื่อมณีมาลกะอันเป็นภพของมณีพัทยักในแคว้นมคตครั้งนั้นมณีพัทยักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมือ่อคนมีสติย่อมได้รับความสุข ความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิดและคนมีสติย่อมหลุดพ้นจากเวรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อคนมีสติย่อมได้รับความสุขความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิดแต่คนมีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวรส่วนผู้ใดมีจิตยินดีในความไม่เบียดเบียนตลอดทั้งวันและคืน และเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสปปรรพสัตว์ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆมณิพัททสูรที่สจบ 5. สานุสูตรว่าด้วยสามเนธสานุ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถ บ, บินิกะเศรษฐีเคครุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสานุถูกยักเข้าสิงครั้งนั้นอุบาสิกานั้นได้คร่ำครวญกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าฉันได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าอยู่จำอุโบสถ อันประกอบด้วยองค์8ประการด้วยดีตลอดดิถีที่14ที่15หและที่8ดแห่งปักทั้งตลอดปฏิหารยปักประพฤติพรหมจรรยู่ยักษ์ทั้งหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้วบัดนี้ฉันเห็นแล้วในวันนี้ยักษ์เข้าสิงสามเณรสานุยักษ์กล่าวว่าท่านได้สดับคํคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่า ชนเหล่าใดเข้าอยู่จำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการด้วยดีตลอดดิถีที่ส4ที่15และที่8ดแห่งปักทั้งตลอดปฏิหารยปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้วท่านจงบอกสานุผู้ฟื้นขึ้นแล้วว่ายักษ์สั่งคำนี้ไว้ว่าท่านอย่าได้กระทากรรมอันลามก ทั้งในที่แจ้งและในที่รับถ้าท่านจากระทาหรือกำลังกระทกากรรมอันลามกุกถึงท่านจะเหาะหนีไปก็ไม่พ้นจากความทุกข์สามเณรสานุฟื้นขึ้นแล้วกล่าวว่าโยมแม่ญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปรากฏท่านยังเห็นฉันซึ่งมีชีวิตอยู่แท้ๆเพราะเหตุไรจึงร้องไห้ถึงฉันเล่า อุบาสิกากล่าวว่าลูกเอย๋ยญาตและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปรากฏแต่คนใดละกามแล้วยังคิดจะกลับมาในกามนี้อีกลูกเอย๋ยญาตและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนนั้นเพราะเขาเป็นอยู่ต่อไปอีกก็เหมือนตายแล้วพ่อเรายกท่านขึ้นจากการครองเรือนที่รุ่มร้อนแล้ว ท่านยังปรารถนาจะตกลงไปสู่การครองเรือนอีกพ่อเรายกท่านขึ้นจากเหวแล้วท่านยังปรารถนาจะตกลงไปสู่เหวอีกหรือเราจะพนธนาแก่ใครเล่าว่าขอท่านจงช่วยกันขอความเจริญจงมีแก่ท่านดุดสิ่งของที่ขนออกแล้วจากเรือนที่ไฟไหมแต่ท่านปรารถนาจะเผามันอีกสานุสูตรที่สี่จบ ปิยังกระสูตรว่าด้วยปิยังกระยักษ์สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ในพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเคครุงสาวถีสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแล้วสวดบทแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ครั้งนั้นนางยักษีนีผู้เป็นมารดาของปิยังกระปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่า ปิยังกระอย่าทรงเสียงไปเลยภิกษุกําลังสวดบทแห่งธรรมทั้งหลายอยู่อันหนึ่งเรารู้แจ้งบทแห่งธรรมแล้วปฏิบัติข้อนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราปิยังกระกล่าวว่าเราไม่เบียดเบียนสัตว์มีชีวิตทั้งหลายไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ศึกษาทําตนให้เป็นคนมีศีลดีจึงจะพ้นจากกาเนิดปีศาจ ปิยังกระสูที่หจบเจ็ดปุนัมพสุสูตรว่าด้วยปุนัมพสุยักษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิญกะเษฐีเขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเล้าใจให้อาหาน ก, กล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสดับธรรมอยู่ครั้งนั้น นางยักษิณีผู้เป็นมารดาของปุณณพสุปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่าลูกอุตราเจ้าจุงนิ่งเถิดลูกปุณณพสุเจ้าจุงนิ่งเถิ ด, จ, จ, นดจนกว่าแม่จะฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสนิ พ, พานอันเป็นเครื่องเปลื้องตนจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเวลาที่ปรารถนาในธรรมนี้จะล่วงเลยแม่ไป ลูกของตนเป็นที่รักในโลกสามีของตนเป็นที่รักในโลกแต่ความปรารถนาในธรรมนี้เป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่าลูกและสามีนั้นเพราะว่าลูกหรือสามีที่รักจะพึงปลดเปลื้องแม่จากทุก์ไม่ได้ส่วนการฟังธรรมย่อมปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากทุกได้เมื่อโลกถูกทุกครอบงำอยู่ประกอบแล้วด้วยชราและมรณะ เราต้องการฟังธรรมที่ทำให้ตรัสรู้เพื่อจะพ้นจากชราและมรณะลูกปุณณพสุเจ้าจงนิ่งเถิดปุณณพสุพูดว่าแม่เราจากไม่พูดอุตรานี้ก็จะนิ่งท่านจงใส่ใจถึงธรรมอย่างเดียวการฟังพระสัตธรรมจงเป็นความสุขแม่เราไม่รู้พระสัตธรรมจึงได้เที่ยวไปลำบากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เป็นผู้ทำความสว่างให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ลุ่มหลงพระองค์เหลือแต่พระสิริระในชาติสุดท้ายมีพระจักสุแสดงทำอยู่ยักษณีพูดว่าน่าชื่นชมนักบุตรผู้นอนบนอกเป็นคนฉลาดบุตรของเราย่อมรักใครพระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเรระสริฐพุณณพสุเจ้าจงมีความสุขเถิดวันนี้ เราเป็นผู้ก้าวขึ้นไปดีแล้วเราและเจ้าเห็นอริยสั์แล้วแม้อุตราก็จงฟังคำของเราปุณณพสุ ส, สูตรที่เจ็ดจบ8สุทัตตสูตรว่าด้วย ขหบดีชื่อสุทั ต, ตะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนปะ่าศรีตะวันเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านอนาถปิญญกะข้าพดีไปยังกรุงราชคฤห์ด้วยกรณียกิจบางอย่างท่านอนาถปิญิกะข้าพดีได้สดับว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ในขณะนั้นเองก็ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขึ้นมาทันทีครั้งนั้นท่านอนาถปิเนกะข้าพบดีได้มีความคิดดังนี้ว่าวันนี้ไม่ใช่การที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาครอไว้พรุ่งนี้ก่อนเราจึงจะเข้าเฝ้าท่านอนาถปิเนกะข้าพเดีนอนรำพึงถึงพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าสว่างแล้วจึงลุกขึ้นในตอนกลางคืนถึงสามครั้ง ลำดับนั้นท่านอนาถปินิกะข้าพดีเดินไปทางประตูป่าช้าพวกอนมนุษย์ทั้งหลายก็เปิดประตูให้ครั้นเมื่อท่านอนาถปินิกะข้าพดีออกไปจากเมืองแสงสว่างก็หายไปความมืดปรากฏขึ้นความกลัวความหวาดสะดุง้งและความขนพองสยองกล้าวก็เกิดขึ้นตามมาท่านอนาถปินิกะข้าพดีจึงใคร่จะรีบกลับจากที่นั้น ครั้งนั้นสิวะกะยักษ์หายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวรถเทียมด้วยม้าอสดรแสนคันหญิงสาวที่ประดับตุ้มหูอัญมณีแสนคนยังไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหแห่งการก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งท่านจงก้าวไปเถิดข้าบดีท่านจงก้าวไปเถิดข้าบดีการก้าวไปของท่านประเสริฐ การถอยหลังไม่ประเสริฐเลยครั้งนั้นความมืดได้หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปินิกขะขหะบดีความกลัวความหวาดสะดุง้งและความขนพองเสียองเกล้าก็รงงะงับไปแม้ครั้งที่สองแสงสว่างก็หายไปความมืดก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปินิกขะขหบดีความกลัวความหวาดสะดุง้ง และความขนพองสยองกล้าวก็บังเกิดขึ้นท่านอนาถปินิกะข้าบดีจึงใคร่ที่จะกลับจากที่นั้นอีกแม้ครั้งที่สองสิวะกะยักษหายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวละถึงยังไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกแห่งการก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าหนึ่งท่านจงก้าวไปเถิดขาบดี ท่านจงก้าวไปเถิดข้าบดีการก้าวไปของท่านประเสริฐการถอยหลังไม่ประเสริฐเลยครั้งนั้นความมืดก็หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปินิขะข้าบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็ ร, งระงับไปแม้ครั้งที่สามแสงสว่างก็หายไป ความมืดก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะขะบดีความกลัวความหวาดสะดุง้งและความขนพองสยองกล้าวก็บังเกิดขึ้นท่านอนาถปิณิกะขะบดีจึงคร่ที่จะกลับจากที่นั้นอีกแม้ครั้งที่สามสิวะกะยักษ์หายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวละถึงยังไม่ถึงเซี่ยวที่16ห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 ท่านอนาถปินิะขะฆะบดีเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงป่าศรีตะวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาเช้าตรู่แล้วเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านอนาถปินิะขะฆะบดีผู้มาแต่ไกลครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้ว ได้ตรัสกับท่านอนาถบิณกะห้าบดีดังนี้ว่ามาเถิดสุทัตตาครั้งนั้นท่านอนาถบิณกะห้าบดีคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงทักเราโดยชื่อจึงร่าเริงดีใจหมอบลงแท้พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวในที่นั้นเองแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพระองค์ประทับอยู่เป็นสุขหรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ผู้ดับกิเลสแล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อไม่ติดอยู่ในกามเป็นคนเยือกเย็นไม่มีอุปกิเลสตัดกิเลสเครื่อนคล่องทุกอย่างพึงกําจัดความกระวนกระวายในใจเข้าถึงความสงบย่อมอยู่เป็นสุข สุทะตะสูตรที่8จบเก้าปฐมมสุกาสูตรว่าด้วยสุกาภิกษุณีสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรวน สถานที่ให้เหยาะกระแตเขตกรุงราชครือสมัยนั้นภิกษุณีชื่อสุ ก, กามีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นยักผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในสุ ก, กาภิกษุณีจากถ น, นนนี้ไปยังถนนโ น, น้นจากตรอกนี้ไปยังตรอกโ น, น, น, น้นในกรุงราชครือเรื่กล่าวคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าพวกมนุษย์ในกรุงราชครือเหล่านี้ทำอะไรกัน โม่เดิมน้ำพึ่งนอนอยู่ไม่เข้าไปนั่งใกล้สุกาภิกษุณีผู้แสดงอมตะ บ, บทอยู่ส่วนพวกคนที่มีปัญญาเข้าใจดื่มอมตะ บ, บทนั้นซึ่งเป็นธรรมไม่นำกลับหลังทำผู้ฟังให้ชุ่มชื่นมีโอชะดุดบุคคลเดินทางไกลดื่มน้ำฝนพระธมะสุกาสูที่9จบ ทุติยสุกาสูตรว่าด้วยสุกาภิสุณีสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชเครือสมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งได้ถวายโภชนาหารแก่สุกาภิสุณีครั้งนั้นยักผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในสุกาภิสุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโน้น จากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้นในครุงราชครึ่งได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าอุบาสกนี้มีปัญญาถวายโพชนาหารแก่สุกาภิกษุณีผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้ประสบบุญมากหนอทุติยสุกาสูที่สิบจบ จีราสูตรว่าด้วยจีราภิกษุณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครื้สมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งได้ถวายจีวรแก่จีราภิกษุณีครั้งนั้นยากผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในจีราภิกษุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโ น, น้นจากตรอกนี้ไปยังตรอกโ น, น, น, น้น ในกรุงราชครึ่งเรยกล่าคาถานี้ในเวลานั้นว่าอุบาสกนี้มีปัญญาถวายจีวรแก่จีราภิกษุณีผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงได้ประสบบุญมากหนอจีราสูที่11อจบ อาลวกกะสูตรว่าด้วยอาลวกกะยักคข้าพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในภพของอาลวกกะยักษเขตเมืองอารวีครั้งนั้นอาลวกกะยักษเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอารวะกายากกล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอารวะกายักรเรียกกล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมา อารวกกยะกล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สอารวะกยะได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอารวะกยะกล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สี่อาระวะกยักษ์ก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้อีกว่าท่านจงออกมาสมณนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราจากไม่ออกไปละท่านจะทำอะไรก็จงทําเถิดอาระวะกยักษ์ได้กล่าวว่าสมณนะ เราจากถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เราเราจะทำจิตของท่านให้พลุ่งพล่านจากฉีกหัวใจของท่านหรือจากจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์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 นักปราททั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความัตัทธลเป็นรถล้ำเลิศ ก, กว่ารถทั้งหลายนักปราททั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด อาละวกยักถามว่าบุคคลข้ามโอเคได้อย่างไรเล่าข้ามอนนกได้อย่างไรเล่าล่วงทุก์ได้อย่างไรเล่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลข้ามโอเคได้ด้วยศรัทธาข้ามอนนกได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกได้ด้วยความเพียบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา อาละวาดยักถามว่าบุคคลได้ปัญญาอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะหาซับได้บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิตรไว้ได้บุคคลละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคประตอบว่าบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหัน์เพื่อบรรลุนิพพาน ไม่ประมาทมีความรอบคอบฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบุคคลผู้ทำการเหมาะเจาะไม่ท่อธุระขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้เกียรติยศเพราะความสัตย์บุคคลเมื่อให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรมสีประการนี้คือสัจจะธรรมทิฏฐิจักะ และโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าเอิญดูสิว่าในโลกนี้มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะเล่าอาวรวกยะกราบทูลว่าทำไมเล่าข้าพระองค์จึงต้องถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากในบัดนี้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงประโยชน์ในภายหน้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองอรารวี เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงทานที่บุคคลให้ในที่ใดมีผลมากข้าพระองค์จากเที่ยวจากบ้านไปยังบ้านจากเมืองไปยังเมืองนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งมีส่วนชักนำให้เป็นคนดีอาลวะกะสูตรที่12บจบยักขะสังยุตจบบริบูรณ์ พระสูตรที่มีในสังยุตตนี้คือ 1. อินทกะสูตร 2. สักกะสูตร 3. สูจิโลมสูตร 4. มณิพั์ทสูตร 5. สานุสูตร 6. ปิยังกระสูตร 7. ปุณณภสุสูตร 8. สุทัตตะสูตร 9. ปทมสุกาสูตร 10. ทุติยสุกาสูตรสิบเอ็ดจีราสูตรสิบสองอาระวะกะสูตร 11. สิบเอ็ดสักกะสังยุตหนึ่งปฐมมวักหมวดที่หนึ่งหนึ่งสุวีราสูตร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 พระผู้มีพระภาคจึงเรียตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพวกอาศูนย์ได้รบกับพวกเทพครั้งนั้นเท้าสักระจอมเทพรับสั่งเรียกสุวีระเท พ, พบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอาศูนเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอาศูนย์ไว้เถิดสุวีระเทพบุตร รับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพประบุมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สองสุวีระเทพประบรุรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสีย แม้ครั้งที่สาท้าวสกกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวิระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวิระพวกอสูรเหล่านั้นกําลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สสุวิระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสกกะจอมเทพแล้วก็เผลอเลิมเสียครั้งนั้น เทา้าสกะจอมเทพได้ตรัสกับสุวีระเทพบุตรด้วยคาถาว่าบุคคลไม่ขยันไม่พยายามแต่ประสบความสุขได้ณที่ใดสุวีระท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุวีระเทพบุตรกราบทูลว่าบุคคลผู้เกียดคร้านไม่ขยันทั้งยังไม่ใช้คใครๆให้ช่วยทำกิจทั้งหลายเขาพรั่งพร้อมด้วยกามทุกอย่าง ข้าแต่เท้าสักกะขอพระองค์จงตรัส บ, บอกฐานะอันประเสรฐนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเท้าสักกะตรัสตอบว่าบุคคลผู้เกียรคร้านไม่ขยันประสบความสุขที่สุดได้ณที่ใดสุวีระท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุวีระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทพ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงได้ความสุขใดโดยไม่ต้องทำการงานข้าแต่เท้าสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกความสุขอันประเสริฐนั้นที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความครับแค้นใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเท้าสักกะตรัสว่าถ้าความสุขจะมีได้โดยไม่ต้องทำการงานไม่ว่าในที่ไหนไหนใครๆก็ดารงชีพอยู่ไม่ได้ เพราะนั่นเป็นทางแห่งนิพพานสุวีระท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายก็เท้าศักกะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่เสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพนานาคุณแห่งความเพียรคือความขยันได้ ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ขยันหมั่นเพียรพยายามเพื่อบรรลุมรคลที่ยังไม่บรรลุเพื่อได้มรคลที่ยังไม่ได้เพื่อทำให้แจงมมรคลที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้สุวีรสูตรที่หนึ่งจบ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 ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพวกอาศูรได้รบกับพวกเทพครั้งนั้นท้าวส ก, กะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมะเทพประบุมาตรัสว่าสุสิมะพวกอาศูนเหล่านี้กาลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอาศูนไว้เถิดสุสิมะเทพประบรุรับพระบัญชาของท้าวส ก, กจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสีย